พระอนุบัญญัติ1230อันหนึ่งพิกุณีใดผู้ไม่เป็นไข่ออกปากขอในอสายมาฉันพิษุณีนั้นพึงแสดงคืนว่าแม่เจ้าที่ฉันต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าติดเตียนไม่สับปลายะที่ฉันขอแสดงคืนธรรมนั้นเรื่องพิกุณีเป็นไข่จบ